พุทธะทัตกเอกมวนที่หกเจริญสุขสวัสดีท่านนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้ก็มาว่าบทเรียนพระประถมสมโพธิกถาต่อเมื่อครั้งก่อนนั้นได้พูดค้างไว้ในปริเชตที่สิบว่าด้วยอภิสามโพธิปริวัติ คือการตัดสู่ของพระองค์ในปัจฉิมยามนั้นพระองค์ก็ได้อย่างรู้ญาณอันเป็นตัวปัญญาโดยการที่ทรงพิจารณาปัจจาัการในปฏิจจสมุปบาทเริ่มตั้งแต่อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารเป็นต้น ทั้งในฝ่ายที่เป็นฝ่ายเกิดและฝ่ายดับในฝ่ายเกิดนั่นก็คืออวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารจกนกระทั่งชาติเป็นปัจจัยให้เกิดชลามรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมณตอุปายาสะโดยปฏิโดย อ, อนุโลมและปฏิลมโดยไปลำดับไปกับย้อนถอยลำดั บ, ดบโดยพิจารณาว่า ชลามรณะโศกับริเทวะนี้ที่เกิดขึ้นได้เพราะอะไรเป็นต้นเหตุหรือเป็นปัจจัยก็ด้วยเหตุเพราะชาติเป็นปัจจัยชาติที่เกิดขึ้นได้เพราะอะไรเพราะพบคือความมีความเป็นเป็นปัจจัยถอยหลังกลับมาจนกระทั่งถึงว่าสังขารเกิดเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยนี่เรียกว่าโดยปฏิลมและพระพุทธองค์ก็แล้วพระองค์ก็พิจารณาถึงฝ่ายดับ ไฟดับนั้นก็เพราะอาวิชาดับจึงสังขารจึงดับเพราะสังขารอยากดับวิญญาณจึงดับเหล่านี้เป็นต้นจนกระทั่งถึงเพราะชาติดับชรามรณะโสกปริเทวทุกโทมนัสอุปายาสะจึงได้ดับโดยเป็นฝ่ายปฏิโลมโดยฝ่ายอนุโลมแล้วพระองค์ก็ทรงพิจารณา ย, ย้อนกลับคือโดยปฏิโลมนั้น โดยพิจารณาเห็นว่าชลามรณโสกะปริเทวทุกโทมนันอุปายาสะดับได้นี้ก็เพราะเหตุที่ว่าชาติดับคือไม่มีชาติชาติที่ดับได้เพราะเหตุว่าพบดับเป็นต้นเหตุแห่งดับเมื่อพระองค์ยังพิจารณาเช่นอยู่เช่นนี้ก็ทำให้พระองค์ได้รู้แจ้งถึงสภาวะหรือว่าปัจจาัการทั้งสิบเอ็ดประการนี้ทำให้พระองค์ได้ อทําให้พระองค์นั้นได้รู้ถึงถึงเรื่องของกองทุกข์และก็ปัจจัยอันจะให้เกิดทุกข์สิ่งที่ดับทุกข์ภาวะที่ดับทุกข์และปัจจัยที่จะให้ปฏิบัติถึงการดับทุกข์ก็โดยเหตุที่พระองค์ได้พิจารณาพบถึงปฏิจจะถึงอริยสัจสี่ประการ จึงทำให้พระหฤทัยของพระองค์นั้นปราศจากอิเลตโดยประการทั้งปวงดังนั้นจึงไปนอันว่าพระองค์ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพธิญาณในขณะนั้นเองก็เป็นประยะการที่ราตรีล่วงสว่างแห่งวันใหม่ก็ได้อุทัยขึ้นมา จึงนับได้ว่าพระองค์นั้นเดชัดสลุอนุตต ร, ส, รสัมมาสัมโพธิญาณในวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกลาตรีสุดท้ายแห่งวันนั้นซึ่งเมื่อสิ้นลาตรีแล้วอุทัยสว่างขึ้นมาก็เป็นวันแรมหนึ่งค่ำในขณะนั้นเองปรากฏว่าเกิดความหาสจันมื่นแห่งโลกธาต บัน ล, ลือลั่นวันไหวทั่วปฐพีดลจนกระทั่งพื้นปฐพีจนถึงอากานิทโรมโลกบรรดาเทพเจ้าทั้งหลายก็จึงได้แ ส, ส่องถาสาธุการกระทาสการะบูชาอภิวาสพระพุทธองค์ด้วยความเคารพยิ่งเพราะฉะนั้นพระองค์ จึงได้มีพระนามโดยเนมิตรกน า, ามว่าอารหังสัมมาสัมพุทโธพระนามว่าอารหังนั้นก็เพราะเหตุที่พระองค์ห่างใจห่างไกลาจากกิเลสโดยประการทั้งปวงเพราะหะหรไทยของพระองค์นั้นปราศจากกิเลสอาสะวะอันเป็นสมุดเฉดตาปรหารตัดเด็ดขาดซึ่งกิเลสและอาสะวะเหล่านั้นจะไม่ย้อนกลับขึ้นมาเกิดอีก เพราะฉะนั้นพระองค์นั้นเป็นผู้ห่างไกลาจากกิเลสอาสวะกาจัดอวิชชาเสียนได้จึงได้ทรงพระนามว่าอะระหังซึ่งแปลว่าผู้หักกรรมแห่งสังสารวักรหรือผู้ห่างไกลาจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธพระนามนี้เพราะเหตุที่พระองค์นั้นได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาได้ตรัสรู้หรือว่าเด็กทรงคนพก อริยสัตว์สีประการซึ่งอริยสัตว์สีส่ประการนี้เป็นสิ่งที่มีประจําอยู่ในโลกแต่ยังไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งได้แสวงห า, ห, าหรือว่าเดิคนพบพระองค์นั้นเป็นผู้ที่คนพบด้วยพระองค์เองโดยหาครูบาอาจารย์มิได้และทรงคนพบก่อนใครดังนั้นพระองค์จึงได้ทรงพระนามว่าสัมมาสัมพุโทโธผู้ตัดสุลูเองด้วยดีโดยชอบ ดังนั้นพระองค์ก็จึงได้กล่าวเยาะเย้ยตันหากล่าวเป็นการเยาะเย้ยตันหาเหมือนกับบุคคลที่ชนะบุคคลที่มีความชนะแล้วก็จึงได้กล่าวเยาะเย้ยตันหาซึ่งการกล่าวเยาะเย้ยนี่ถือว่าเป็น อ, อถือว่าเป็นปฐมอะถมอะอุทานหรือเป็นปฐมพุทธพจน์ เป็นพระโอวาทที่พระองค์ตรัสเป็นงครั้งแรกซึ่งในการที่พระองค์ส่ ง, เ, สงเป่งสีฮหนาฏเยาะเย้ยตันหามีใจความว่าอเนกชาติสังสารังซึ่งมีความหมายว่านี่แน่เจ้าตันหาตั้งแต่ตถาคตได้ท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวไปไ ป, ไปมาในชาติที่สงสาร หาประมาณมิได้เป็นอันมากนี้ได้สอบสได้เสาะแสวงหาในช่างพูดกําลืออผู้ทําเลือนกล่าวคือตัณหาอันก่อสร้างนามลูกก็มิได้พานพบทรมานอยู่เสวยชาติทนทุกข์ลำบากแล้วแล้วเราเล่านี่แ น, นี่ตัณหาผู้เป็นช่างกระทําเลือนให้ตถาคตบัดนี้ตถาคตได้พบท่านแล้ว เห็นตัวท่านแล้วตั้งแต่นี้สืบไปเบื้องหนักท่านจะไม่มีโอกาสที่จะได้ทำเรือนให้ตถาคตสืบอีกต่อไปกรอนเรือนทั้งปวงของท่านตถาคตก็ไดหักลงเสร็จแล้วช่อฟ้าเรือนของท่านตถาคตก็ลื้อทำลายเสียหมดสิ้นแล้วจิตของตถาคตถึงซึ่งวิสังขารคือบรรลุพระนิพพาน เมื่อพระองค์ตรัดทักตัญหาแล้วก็ทรงนทรงพิจารณาถึงกิเลสที่พระองค์ละได้แล้วตลอดถึงโลกุตรธรรมที่ได้บรรลุจนครบท่วนทุกประการด้วยพระอาทยอันเบิกบานก็ไปนอันว่าในปริเชตที่จบที่สิบว่าด้วยอภิสัมโพธิปริวัติก็จบเพียงแค่นี้ในปริเชตที่สิบเอ็ด โพทิสัพพัญญูปริวัติในปริเชตนี้ว่าโดยตอนที่พระสัพพัญญูสมมาสัมพุทธ เ, เจ้าประทับเสวยมุติสุขอยู่ในสถานที่ทั้งเจ็ดแห่งซึ่งมีต้นมหาโพเป็นต้นกล่าวคือเมื่อได้ตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ได้ไปประทับเสวยมุติสุขอยู่ที่ใต้ต้นโพเป็นเวลาเจ็ดวันจึงเสด็จไปที่อื่น ดังนั้นเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ได้เสด็จประทับอยู่โดยเอกบาลังเข้าสู่สมมาบัตนวานุปุกพวิหารคือรูปฌานสี่รูปฌานสี่และสัญญาเวทยยิตานิโรธและก็ได้ทรงพิจารณาถึงปฏิจจสมุปบาท ตลอดสามราตรีสามยามแห่งราตรีแล้วจึงได้เปล่งอุทานเป็นลำดับลาดับไปดังนี้คือในยามต้นที่พระองค์ประทับอยู่ที่ต้นพระศรีมหาโพนั้นเมื่อได้พิจารณาถึงปฏิจจสมุปบาทแล้วพระองค์ก็จึงได้เปล่งอุทานออกมาว่าเมื่อใด ทำทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อ น, นั้นความสงสัยทั้งปวงของพราหมณ์นั้นย่อมสิ้นไปเพราะมารู้แจ้งถึงธรรมว่าเกิดแต่เหตุนี่เป็นพระอุทานพระพุทธอุทานที่พระองค์ทรงอุทานในยามแรกแห่งดัลรีคือในระหว่างหกโมงเย็นจนถึงสี่ทุ่ม ในยามถํากลางแห่งราตรีนั้นพระองค์ก็ได้เปล่งอุทานอีกซึ่งมีใจความว่าเมื่อใดทำทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งพิจารณาอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของพรามณ์นั้นย่อมสิ้นไปเพราะได้รู้ความสิ้นไปแห่งปัจจัยทั้งหลาย ว่าเป็นเหตุสิ้นไปแห่งผลทั้งหลายด้วยในยามสุดท้ายแห่งราตรีพระองค์พิจารณาปฏิจจ ส, สมุปบาทแล้วก็จึงได้เปล่งอุทานว่าเมื่อใดทำทั้งหลายปรากฏแก่พรามผู้เพียรเ พ, งเพ่งพิจารณาอยู่เมื่อนั้นพรามนั้นย่อมกาจัดมารและเสนา ม, มารเสียได้ ดุจ ด, ดวงอาทิตย์อุทัยกำจัดความมืดทำอากาศให้สว่างฉชนั้นพระองค์ทรงพิจารณาถึงปฏิจจสมุปบาทณนะที่พายใต้ต้นศรีมหาโพธิอยู่เช่นนี้ตลอดเจ็ดวันคือหนึ่งสัปดาห์พระองค์ก็ได้จากสเสด็จจากต้นพระศรีมหาโพธิไปทางทิศอีสาน ิอีสานของต้นสีมหาโพธิ์แล้วประทับยืนทอดพระเนตรทอดพระเนตรดูต้นสีมหาโพธิ์เพื่อเป็นการบูชาหรือว่าด้วยเป็นการรู้สึกพระคุณในอุปการะที่ต้นสีมหาโพธิ์นี้พระองค์ได้ทรงอาศัยบำเพ็ญสมณธรรมจนกระทั่งเลตัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เพื่อเป็นการถวายพระเนตรบูชานี่เองโดยที่ไม่ได้กระพริบกันพระเนตรเหตุนั้นสถานที่นี้จึงได้ชื่อว่าอะนิมิสเจดีพระองค์ได้ถวายทอดพระเนตรต้นศรีมหาโพนีตลอดหนึ่งสัปดาห์คือเจ็ดวันต่อแต่นั้นพระองค์ก็เด้เสดจย้อนกลับ จากสถานที่พระองค์ทรงถวายพระเนตรที่ได้ชื่อว่าอนิมิสเจดีนั้นย้อนเสด็จย้อนกลับมาสู่หนทางที่มาที่ต้นสีมหาโพธิโดยเสด็จมากึ่งหนทางระหว่างต้นสีมหาโพธิกับอะนิมิสเจดีแล้วพระองค์ก็จึงได้อธิษฐานที่จงกลมทรง สเสด็จจงกรมกลับไปกลับมาณสถานที่นี้ตลอดถึงเจ็ดวันสถานที่นั้นจึงได้นามว่ารัตนจงกรมเจดีย์เมื่อล่วงเลยเจ็ดวันคือหนึ่งสัปดาห์ไปแล้วพระองค์ก็จึงได้สเสด็จไปทางทิศพายัพแห่งต้นสีมหาโพธิ ได้ไปประทับณที่เรือนแก้วซึ่งเทวดานั้นเนรมิตรถวายแล้วพระองค์ก็ทรงพิจารณาพระไตรปิฎกทรงพิจารณาพระไตรปิฎกอันประกอบไปด้วยอาคมสี่นิกายห้าและนวังคเสดุศาสเก้าตลอดจนถึงพระธรรมขันธ์แปดหมืสี่พันเมื่อพระองค์ได้พิจารณามาเป็นโดยลำดับ จนกระทั่งถึงพระอภิธรรมอิโดกพระองค์ได้พิจารณาถึงคัมภีร์สุดท้ายที่เราเรียกว่าคัมภีร์ประธานหรือว่ามหาประธานซึ่งในคัมภีร์ประธานหรือมหาประธานนี้มีปัจจัยอยู่ได้กันถึง24 24ปัจจัยเมื่อพระองค์ทรงพิจารณาถึงคัมภีร์ประธานนั้นจึงได้ปรากฏว่า พระรัศมีคือพระชภพัณรัศมีรังสีคือรัศมีหกประการก็ได้แก่สีเขียวสีแดงสีเหลืองสีขาวสีหงส์สวัสิหรือสีดอกเส้นและก็สีเลื่อมเรื่อมประพัสสอนหกประการนี้ก็ได้กโอภาสแผ่ซ่านออกจากพระสรีละ ของพระองค์แวดล้อมไปโดยรอบประมาณสิบสองสอกพระชจพันนังสีหรือลัษมีหกประการนี้ที่เปล่งออกจากพระวรกายของพระองค์แผ่ซ่านไปโดยรอบนั้นมาเปล่งออกมาโอภาษจากพระวรกายของพระองค์นั้นในตั้งแต่ในครั้งที่พระองค์พิจารณาถึงคำภีสุดท้ายแห่งอภิธรรมอภิ덕คือคำภี์ประฐาน ในขณะที่พระองค์ทรงพิจารณาถึงคมภี์ต้นคือธรรมสังขณีก็ตามวิพังก็ตามก็ไม่ยังไม่มีพระสมีนิแผ่ออกจากผู้ละกายมาโอภาสออกจากผู้ละกายในการที่พิจารณาถึงอภิธรรมิโดคำภีสุดท้ายคือคำภีรมหาปฐานนี่เองที่เราทราบกันโดยหัวข้อแห่งธรรมวะเหตุปัจิโยอารามณัปัจจโยเป็นต้นพระสมีได้อภิภาส ในขณะที่ทรงพิจารณาถึงอภิธรรมอภิดกคำภีนี้แล้วตั้งแต่บัดนั้นมาพระราศมีก็ได้โอภพาสออกจากโภรากายของพระองค์เป็นประจำในขณะที่พระองค์มีพระประสงค์ต้องการจะให้แผ่ออกพระองค์ได้พิจารณาถึงอภิธรรมอภิดกทั้งเจ็ดได้พิจารณาถึงพระพระไตรปิฎกทั้งสามคำภีนี้ อยู่ตลอดถึงหนึ่งสัปดาห์คือเจ็ดวันพระองค์ก็ได้จากรัตนคระเจดีคือเรือนแก้วที่เทวดาได้เดินมิถวายนี้สเสด็จไปทางทิศตะวันออกสเสด็จไปทางทิศตะวันออกของต้นสีมหาโพไปประทับอยู่ณภายใต้ต้นไซต้นหนึ่งซึ่งต้นไซต้นนี้ เป็นที่พักล่มของคนเลี้ยงแพะดังนั้นต้นไส้ต้นนี้จึงได้ชื่อว่าอะชะปารณีโครธในขณะที่พระองค์ทรงสวยมุติสุขอยู่นั้นก็มีพราหมณ์คนหนึ่งพราหมณ์ผู้นี้ก็คงจะเป็นพราหมณ์ที่เลี้ยงแพะหรือมิเช่นั้นก็อาจจะมาจากที่อื่นมาพบพระองค์เข้า พราหมูนี้มีปกติมักจะตะหวาดบุคคลอื่นว่า ห, หิงหิงหรือหุงหุงดังนั้นท่า น, านจึงเรียกกันว่าหุงหุงกระชาติ อ, อหงหงกระชาติซึ่งคําว่า ห, หิงหิงหรือหงหงนี้ท่านกล่าวว่าเป็นคําหยาบกล่าวกันว่าเป็นคําหยาบซึ่งเป็นคําที่พราหม์นี้ที่มักจะตะหวาดคนอื่นนั้นด้วยอํานาจคําติดปาก เหมือนกับคนทั่วไปซึ่งพูดจนติดปากเมื่อพูดคําใดคําหนึ่งก็มักจ ะ, ะใช้คําที่ไม่สุภาพออกมาเป็นการติดปากหาได้กล่าวด้วยความเป็นคนที่เกิดโทสะหาไม่ได้หึกเปลียดบุคคลอื่นบุคคลใดผูด้หนึ่งผู้หนึ่งก็หาไม่ได้แต่เรื่องหน้าคําติดปากจนติดเป็นประจำได้มาทูล ถ, ถามพระพุทธองค์ถึงบุคคลที่เป็นพรามณ์ และก็ทำที่ทำบุคคลให้เป็นพรามซึ่งในที่นี้พรามนั้นก็คงจะหมายถึงว่าบุคคลที่ได้ชื่อเป็นพรามนั้นก็คงจะเกิดจากวันณะของพรามซึ่งมีพ่อก็เป็นพรามแม่ก็เป็นพรามและบุคคลและธรรมะที่ทำให้บุคคลเป็นพรามนั้นก็คงจะหมายถึงว่า คำเพียงทั้งสามคำเพียงที่เราเรียกว่าเว ท, 3, เวทสามมีลทธเวทสามเวทและยะชุระเวทซึ่งพราม์ทั้งหลายถือว่าเมื่อบุคคลใดเรียนจบแล้วตามคำมพียงทั้งสามประการนี้บุคคลนั้นจึงชื่อว่าเป็นพราม์เต็มตัวเพราะฉะนั้นพราหม์นี้ก็จึงจัดได้ว่าเป็นพราม์ที่เกิดขึ้นสองครั้งคือเกิดจากพ่อแม่เป็นพรามประการหนึ่ง แล้วเกิดด้วยได้การด้วยการศึกษาประการหนึ่งจึงจัดว่าเป็นพวกทะชีพรามหรือว่าเป็นพรามที่ครบบริบูรณ์แต่องค์สุเ็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้เลี่ยงวิสัญนาเลืเลี่ยงตอบเสียแทนที่จะตอบตามความเห็นของพรามพระองค์ก็หันกลับะมาณตามหลักของพุทธศาสนาโดยพระองค์ตรัสไว้ว่า บุคคลใดมีบาปมีบนอันลอยได้เสร็จแล้วบุคคลนั้นก็ชื่อว่าพราม์บุคคลใดประพฤติพรหมจรรย์จบบุคคลนั้นก็ชื่อว่าพราม์ทำที่จะทําให้คนเป็นคนพรามณ์นั้นก็ได้กแก่การที่เดบรลุคุณธรรมทั้งหลายคือปฏิเวทประยัดปฏิบัติปฏิเวทจนกระทั่งจบปฏิเวทคือสามข้อพินี้ ในทีน่นี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมุ่งหมายว่าคนที่เป็นพราหมณ์นั้นก็ได้แก่พระอระหันต์ตมมารอารหันต์ขีนาศคือบุคคลที่มีกิเลสอาสะวะสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์อยู่เสร็จแล้วนั่นแหละจึงจะกล่าวว่าเป็นพราหมณและก็ในในการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่อัชะปลาณีโครดนั่นเองได้มีนางมาลธิดาสาม ตนได้กันก็คือนางตันหานางราคาและนางอรารตีทั้งสามนางนี้เป็นธิดาของพยาวัศวดีมานซึ่งพยาวัศวดีมานนี้ตามจองล้างรองผานพระพุทธองค์ตลอดมาจนกระทั่งสุดท้ายที่พระองค์จะบำเพ็ญสมณธรรมณนะภายใต้ต้นศรีมหาโพธนินี้พยามาทิราชนี้ก็ได ยกกองทัพซึ่งเต็มเปนด้วยเสยนามานพลรมาทั้งหลายมาไปชนพระองค์แต่ด้วยอำนาจของพระบรารมีของพระองค์นั้นพญามาราธิราชนี้ก็จึงได้พ่ายแพ้ไปมาตอนนี้มาทราบว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้ตัดสู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วพ้นวิสัยแห่งพญามารได้แล้วคือพ้นจากการ การตายการเกิดได้แล้วพญามาราธิราชนี้ก็เกิดความเสียใจเกิดความเสียใจว่าอย่างมากว่าเจ้าชายสิทานี้พ้นจากอำนาจของตนเสแล้วเกิดความเสียใจขึ้นมาก็จึงได้ลงมาจากสวรรค์ชั้นประนิมมานั่งอยู่บนทางใหญ่แห่งหนึ่งในมนุษยโลกนี้โดยใช้เล็บของตอนเองนี้ขีดลงบนแผ่นดิน ถึงสิบหกร้อยได้กันโดยการที่ตนเองนั้นนึกไปแล้วเสียใจไปด้วยแล้วก็ เ, เล็บในขีดพอดีไปด้วยโดยปรารบว่าเรานั้นบำเพ็ญทานบรมีสู้เจ้าชายศิทฐะหรือว่าสู้พระพุทธองค์ไม่ได้จึงไม่ได้ัดสรูปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นพระพุทธองค์ แล้วก็จึงได้เอาเล็บเนี่ยขีดลงบนแผ่นดินขีดหนึ่งลอยหนึ่งแล้วก็ลำพึงในใจต่ออลำพึงลำพันต่ออีกไปว่าเรานี้บำเพ็ญศีลบา ร, รมีสู้พระพุทธองค์ไม่ได้จึงไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนพระพุทธองค์แล้วก็ขีดเล็บของตัวเองลงที่บนแอดบนแผ่นดิน อีกลอยหนึ่งโดยทํานองนี้ได้ลําพึงลําพันถึงบารมีทั้งสิบประการว่าตนเองบาเพ็ญบารมีนั้นสู้พระพุทธองค์ไม่ได้จึงไม่ได้สามารถตัดสู้ได้เหมือนพระพุทธองค์ก็จึงได้ขีดถึงสิบลอยแล้วก็ได้บาแอรได้ลําพันลาพึงถึงอาสาธาราานญาทั้งหกซึ่งมีอินทริยะบโลปริยะติยานเป็นต้น ว่าบําเพ็ญ น, นั่นสู้พระพุทธองค์ไม่ได้ก็จึงได้ขีดไปรวมด้วยกันทั้งหมดอีกหกลอยรวมเป็นสิบหกลอยด้วยกันหมายถึงว่าพญาม า, าลาธิราชนี้ลำพันล้ำพึงและก็ขีดลอยไปด้วยสิบหกลอยด้วยกันนั้นได้แก่บารมีสิบละบารมีสิบทัศสิบ้อยแล้วก็อสาธารณียานอีกหกประการอีกหก้อยรวมเป็นสิบหกลอยด้วยกัน นั่งร้องไห้อยู่ที่เป็นอาทีปทางใหญ่ลูกสาวทั้งสามนั้นเมื่อตามหาบิดาของตอนเองในชั้นปรินิม้นหาไม่พบก็จึงไปตรวจดูดดก็ไม่เห็นว่าบิดาของตอนเองมันนั่งร้องไห้แล้วก็ใช้นิ้วขีดเป็นดินอยู่ที่มนุสโลกก็จึงได้ลงไปลงมาหาถามได้ความแล้วก็จึงได้ปลอบโยนของบิดาปลอบรเ่าปลอบโยนบิดาของตัวเองนั้นให้หายความเสียใจ รับอาสาว่าจะมาประเล่าบระมให้พระองค์นั้นตกอยู่ในอำนาจซึ่งพญามารีลาทิราชก็ได้ตรัสห้ามแล้วว่าต่อไป น, นี้หรือตั้งแต่บัดนี้ไปไม่มีใครในโลกที่จะสามารถทำให้เจ้าชายศรีฐกุมาลหรือพระพุทธองค์นี้อยู่ในอำนาจได้แต่นางมาราทิราชทั้งหลายก็จึงได้กล่าวว่านางนั้นสามารถที่จะประเลาบรโลมให พระพุทธองค์นี้อยู่ในอำนาจใดด้วยอำนาจของอิทธิมายากาันดังนั้นนางทั้งหลายทั้งสามนี้ก็จึงได้มาเฝ้าพระพุทธองค์ที่อัจฉปาลนิโคลแล้วมากล่าวพระราบรมกับพระพุทธองค์ว่าทั้งสามนี้จะยอมเป็นนางบ่มเลอให้ก็รรประเละบรมพระพุทธองค์โดยประการต่างๆพระองค์ก็ตรัสห้ามแต่นางก็รรประเละบรมโดยการโดยการแปลงเพศ อ, อย่างสวยงามเริ่มต้นตั้งแก่ตั้งแต่แปลงเพศเป็นสาวรุ่นรุ่นแล้วก็แปลงเพศเป็นสาวเต็มตัวสาวใหญ่สาววัยดึกจนตลอดกระทั่งที่สาวสาวแกโดยที่นางทั้งหลายเหล่านั้นได้นึกถึงจิตใจของบุรุษเพศว่าบุรุษบางคนนั้นก็ชอบชอบเด็ก หญิงที่เป็นเด็กๆบางคนก็ชอบหญิงที่เป็นสาวรุ่มบางคนก็ชอบหญิงที่เป็นสาวเต็มตัวบางคนก็ชอบเป็นหญิงสาวใหญ่แต่บางคนก็ชอบหญิงวัยดึกบางคนก็ชอบแม่ใหม่บางคนก็ชอบหญิงแก่เหล่านี้เป็นต้นได้แปลงเพศนานับประการแต่ก็ไม่สามารถที่จะทําให้พระองค์นั้นตกอยู่ในอำนาจได้ซ้ําพระองค์ยังทรงขับไล่เสียอีก จึงไม่สามารถที่จะประเลาประลมให้พระองค์อยู่ได้ก็จึงได้หนีกลับมาเมื่อครบเจ็ดวันแล้วองค์ุณเนพสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้เสด็จจากอัชฌปารณิโครดไปสู่ต้นไม้แห่งหนึ่งได้แก่ต้นจิกใกล้ๆต้นจิกนั้นมีสะแห่งมีสะอยู่ลูกหนึ่งเป็นที่อาศัยของพยะของนาพญานาค หน้าตัวนี้ชื่อว่ามุจจลินเพราะฉะนั้นสถานที่นี้จึงได้ชื่อว่ามุจจลินองค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงนั่งประทับเสวยมุติสุขอยู่ที่ใต้ต้นจิกที่เดิดนามว่ามุจจลินนี้ตลอดเจ็ดวันซึ่งในสัปดาห์นั้นปรากฏว่ามีฝนอันเจือดิลมหนาวตกพรํมอยู่ตลอดเจ็ดวันพญานาคที่ชื่อว่ามุจจลินนั้น ได้ขึ้นมาจากศัก์เห็นเข้าเกิดความเริ่อมใสจึงได้เข้ามาขันดลกายของตัวเองขึ้นเจ็ดเป็นเจ็ดรอบแล้วก็แผ่พังผ่านนั้นปกป้องพระวรากายของพระองค์มิให้ถูกต้องลมและฝนอันเจือด้วยลมหนาวอยู่ตลอดกระทั่งเจ็ดวันซึ่งในสัปดาห์นั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าได้เสวยมุติสุขอยู่แล้วก็ จึงได้เปล่งอุทานขึ้นว่าความสงัดเป็นความสุขของบุคคลผู้มีธรรมอันตนได้สดับแล้วผู้ยินดีอยู่ในความมิเวกองเสดพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงสวยมุทิสุขอยู่ที่นั่นทั้งเจ็ดวันเมื่อถึงสัปดาห์หนึ่งฝนลมเจอโดยลมหนาวนั้นก็จิกได้หายไปพญานาคมุจลินนั้นก็จิกได้แปลงเพศมาเป็นมนก ยืนอยูอ่ยืนอยู่ต่อพระพักของพระพุทธองค์นมัส ก, การแล้วก็จิงได้หายไปก็เป็นอันว่าองค์ทุเิพพพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้ประทับอยู่ที่นี่สิ้นเจ็ดวันเอาละท่านผู้ฟังและท่านนักศึกษาทั้งหลายวันนี้ก็ขอยิติไว้เพียงแค่นี้ก่อนขอความเจริญผาสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกท่านด้วยกันขอเจริญพร จเจริญสุขสวัสดีท่านนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้ก็มาว่ากันบทเรียนในพระประถมสมโพธิคติกาถาต่อในครั้งก่อนนั้นได้กล่าวถึงตอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จเสวยมุติสุขอยู่ที่ภายใต้ต้น ที่เด่นนมว่ามุจลรินซึ่งอยู่ทางทิศอาคเนของต้นสีมหาโพธิ์ตลอดเจ็ดวันเ <c oughs> มื่อพระองค์ได้เสเอได้เสวยมุติสุขอยู่ณสถานที่นั้นตลอดเจดวันแล้วพระองค์ก็ได้จากมุจลรินนั้นไปทางทิศใต้แห่งต้นสีมหาโพธิ์ ซึ่งพระองค์ได้ไปประทับนั่งอยู่ภายใต้ต้นเกตอันได้นามว่าราชายตนะพระองค์ได้เสวยมุติสุขอยู่ณสถานที่นั้นถึงหนึ่งสัปดาห์ในการสุดท้ายคือในวันสุดท้ายแห่งสัปดาห์นั้นได้มีพานิชพี่น้องสองพี่น้องชื่อตปุสะกับพลิกะคือพ่อค้าได้นํา สินค้าบรรทุกเกวียนไปขายได้ไปจากอุกระชนบทได้นำเอาสินค้านั้นไปขายดังชงอไปไปขายอย่างชมพูทวีปได้นำเอาข้าวสตูก้อนสตูผงมาถวายซึ่งพานิทั้งสองพี่น้องนี้ตามประวัติก็ได้กล่าวว่าได้ขับเกวียนไป ซึ่งได้เอาชายเกวียนห้าประมาณห้าร้อยเล่มห้าร้อยเล่มบรรทุกสินค้าที่จะไปขายในชมพูทวีปนั้นไปถึงในสถานที่ใกล้แหง่งต้นไม้เกศหรือลาชายตนะนั้นปรากฏว่าเกวียนนั้นไม่เคลื่อนที่แม้โคนั้นจะพยายามดึงเท่าใดก็าตามไม่เคลื่อนที่ก็เกิดความอาจจจั์ขึ้นในขณะนั้นเองลุกเทวดาตนหนึ่งซึ่งเป็นญาติ ของพ่อค้าพานิชทั้งสองคนนั้นก็จึงได้แสดงตนปรากฏและจึงได้บอกว่าบัดนี้พระสมรัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นแล้วในโลกประทับอยู่ที่ใต้ต้นเกตที่เรียกว่าราชาจตนะทึ่ไม่ห่างไกลนั้นท่านจงได้นำเอาอาหารหรือว่าข้าวของไปถวายจะเป็นผลบุญอย่างใหญ่หลวง ตปุษะาลิกะพานิสงพี่น้องนี้ก็จึงได้นำเอาสตุก้อนสตุผงมาถวายให้พระองค์นั้นถวายพระองค์องค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะนั้นบาทของพระองค์ไม่มีหายไปซึ่งแต่แต่ในการที่รับข้าวมะทุปายาคของนางสุชาดาพระองค์ก็จึงได้พิจนาอาตีตังสยานว่าในอดีตการนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรับ อาหารด้วยพระหัต์หรือว่าด้วยบตดก็ทรงทราบว่าทรงรับด้วยบตดแต่ว่าบัดบตดนี้บาดของพระองค์ไม่มีหายซะแล้วในขณะนั้นเองที่พระองค์ทรงพระปริวิตกอยู่ได้ทราบถึงท้าวมหาราชทั้งสี่ที่เราเรียกกันว่าจารุมหาราชก็ได้แก่ท้าวทศรถท้าววิรุฬหกแล้วท้าววิรุฬปักก็ได้นาบาศิลา ท่านบอกว่าเป็นศิลาสีเหมือนปีกมแมลงทัพมาถวาย อ, องละหนึ่งใบอง์ละหนึ่งบาทด้วยกันพระพุทธองค์ก็จึงได้รับบาทของท้าวมหาราชทั้งสี่โดยที่เพื่อที่จะไม่ให้ท้าวมหาราชทั้งสี่นั้นเกิดน้อยพระไทยจึงรับทั้งหมดสี่บาทด้วยกันแล้วก็จึงได้ทรงอธิษฐานบาททั้งสี่นั้นรวมเป็นบาทใบเดียว รับข้าวสตูก้อนสตูผงของพานนิดสองพี่น้องข้าวสตูก้อนสตูผงนี้เราก็ใช้ทับศัพท์เพราะยังไมเ่เพราะไม่ทราบแน่เหมือนกันว่าเป็นข้าวชนิดใดบางคนก็อาจจะเป็นแปรเป็นข้าวอข้าวตูก็ตาก็บ้างก็ได้แต่ความจริงแล้วน่าจะคิดวน่าจะเป็นพวกประเภทอาหารที่เป็นประเภทแป้งชนิดหนึ่ง <c oughs> ซึ่งชาวธงพูทวีปหรือชาวอินเดียนั้นนิยมติดตัวไว้ในการเดินทางก็โดยที่ว่าใช้แป้งอันทาอันเกิดจากข้าวสาลีโดยเอาข้าวสาลีมาบดให้เป็นแป้งติดตัวไปในขณะเดินทางเมื่อถึงสถานที่ที่เราจะพักก็จึงได้เอาแป้งนี่นนนแหละออกมาละลายกับน้ำทําให้เป็นแผ่น ปิ้งไฟบ้างย่างไฟบ้างที่เราเรียกกันว่าเป็นโลตีหรือจัปตีเช่นนั้นแต่บางครั้งนั้นชาวอินเดียที่ยากจนนั้นก็ได้ใช้แป้งนั้นผสมกับน้ํารับประทานทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่ต้องปิ้งโดยไฟก็มีเพราะฉะนั้นน่าคําว่าข้าวสตุก้อนสตุูผงนี่น่าจะเป็นพวกแป้งประเภทนี้ที่นําติดตัวสําหรับเดินทางถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนกับทหารที่เข้าสงครามก็ต้องมีพวกข้าว เขาตากประเภทนั้นองคุณเดจพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเมื่อพระองค์ทรงทัพัฒกิจเสร็จแล้วพานิ์ทั้งสองพี่น้องนั้นก็ด้วยความเริ่มใสก็จึงได้แสดงตนเป็นอุบาสกโดยถึงพระพุทธกับพระธรรมเป็นสารณะที่พึงดังนั้นจึงปรากฏว่าตะปุสสะและพันลิกะสองพี่น้องพ่อค้าสองพี่น้องนี่แหละ เป็นอุบาสกคนแรกในโลกแต่ว่าเป็นอุบาสกประเภทที่ว่าทาเววาจิกะอุบาสกคืออุบาสกที่เปร่งถึงรัตนะสองในแก่พระพุทธกับพระธรรมเป็นสรณะที่พึ่งเพราะเหตุว่าในขณะนั้นพระสงฆ์ยังไม่ได้เกิดขึ้นในโลกเมื่อตอนแสดงตนเป็นอุบาสกแล้วก็จึงได้ทูลขอสิ่งอันเป็นที่ระลึก องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์ก็ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะให้เป็นที่ระลึกพระองค์ก็จึงได้ทรงใช้ฝ่าพระหัสนั้นลูกไปบนพระเกศหรือลูกไปบนพระเศียรปรากฏว่ามีเส้นพระเกษาติดพระหัสมาแปดเส้นด้วยกันพระองค์ก็จึงได้ประทานให้ทานนี้สองพี่น้องนี้ก็จึงได้นำเอาเส้นพระเกษาทั้งแปดเส้นนี้ ติดตัวไปเมื่อตอนเองกลับมายัางบ้านเมืองของตอนเองแล้วก็จึงได้มาสร้างเป็นพระเจดีย์แล้วนำเส้นพระเกศานี่บรรจุไว้จึงเรียกว่าพระเจดีย์นั้นเป็นพระเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุนี่ในสัปดาห์ที่แปดก็ไปอันว่าเมื่อพานิชสองพี่น้อง กลับไปแล้วก็เป็นในระยะการที่พระองค์นั้นได้สิ้นสุดแห่งการสวรยมุติสุขถึงเจ็ดสัปดาเจ็ดแห่งด้วยกันเพราะฉะนั้นสถานที่ทั้งหลายเหล่านี้จึงได้ชื่อว่าสต๊ะมหาสถานสัต๊ะมหาสถานคือสถานที่ที่พระองค์ทรงสวยมุติสุขอยู่เจ็ดสัปดาห์สัปดาแอ์เจ็ดอยู่เจ็สัปดาห์คือแห่งละหนึ่งสัปดาห์รวมแล้วเป็นด้วยกันเจดสัปดาห์ก็สี่สิบเก้าวัน ก็ไปอันจบปริเฉตที่สิบเอ็ดอันวาดด้วยโพธิสัพพัญยุอ่าโพธิสัพพัญยูปริวัตหรือว่าสตัมมหาสถานทั้งสิบเอ็ดในปริเฉตที่สิบสองอันวาดด้วยพรหมมัชเชสนะปริวัตในปริเฉตนี้ ว่าด้วยตอนที่ท้าวมหาพรมลงมากราบทูลอรัตนาพระพุทธองค์ให้แสดงทำโปรดชาวโลกเมื่อองค์สุเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จประทับอยู่ที่ราชายิตนะคือภายใต้ตนเกตจนครบหนึ่งสัปดาห์คือเจ็ดวันแล้วพระองค์ก็ได้เสด็จจากราชายิตนะแห่งนั้นเสด็จกลับมา ประทับที่ใต้ต้นไสอันได้ชื่อว่าอัชปารณิโคตพระองค์ทรงประววลีตกต่อไปว่าธรรมดาบุคคลนั้นถ้าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ตนจะพึงเคารพสการะแล้วย่อมอยู่เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นตถาคตจะพึงยึดผู้ใดเป็นที่เคารพสการะดีหนอในบัดนี้แต่เมื่อพระองค์ทรงตรวจดูแล้ว ไม่เห็นว่ามีบุคคลใดที่จะเหมาะสมที่จะเป็นที่เคารพสการะของพระองค์เลยเพราะเหตุที่ว่าบุคคลที่จะประกอบไปด้วยคุณธรรมที่สูงยิ่งไปกว่าพระองค์นั้นหาไม่มีหาไม่ได้ดังนั้นพระองค์จึงคิดว่าพระองค์นั้นจะเคารพพระธรรมคือจะเคารพพระโลกุตระธรรมคือนอกจากพระโลกุตระธรรมนี้แล้ว จะหาบุคคลอื่นที่สมควรที่พระตถาคตจะเคารพไม่มีดังนั้นพระองค์ก็จึงตกลงเคารพพระธรรมแต่พระองค์ทรงพิจารณาถึงพระธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วเห็นว่าลึกซึ้งคุบสุ ข, ขุมคัมภีรล้ำภาพมากญาติที่เหลาสัตว์ซึ่งเต็มไปด้วยกิเลสและตัณหานั้นกิเลสอาสวะนั้นจะรู้ตามได้ถึงแม้แต่พระองค์นั้น ก็ต้องพยายามใช้ความพยายามอยู่ประมาณถึงหกปีกว่าจะตัดสลุหรือรู้ธรรมอันลึกซึ้งนี้ได้ถ้าหากเป็นสัตว์ที่เต็มไปด้วยหนานแน่นไปด้วยกิเลสและปัญญาสามแล้วยากที่จะรู้ได้ดังนั้นพระองค์ก็จึงได้ทรงเกิดความท้อแท้พระทยัยในการที่จะแสดงธรรมปลดเวนยสัตว์จึงมีความขวนขวายน้อยอยู่ในขณะนั้นเอง เมื่อพระองค์ได้ทรงดำลิเช่นนี้พระบริตกเช่นนี้ก็ได้ไปทราบถึงท้าวสหัมบดีพรมท้าวสหัมบดีพรมก็จึงได้ดำลิขึ้นว่าโลกกาลังจะพินาศแล้วครั้งนี้เหตุด้วยที่พระชินสีไม่ปรารถนาจะแสดงธรรมโปรดสัตว์จึงได้พร้อมด้วยทวยเทพเทวดาทั้งหลาย ลงมาจากพรหมโลก <c oughs> ลงมากราบทูลอาราธนาพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์ผู้ทรงพระมหากรุณาโปรดประทานพระสัตว์ธรรมเทศนาสัตว์ทั้งหลายที่มีสันดาอนาอันบางเบาจากกิเลสก็มีอยู่ในโลกนี้เป็นอันมาก เมื่อไม่ได้สดับพระธรรมเทศนาก็จักเสื่อมสูญจากมรรคผลนิพพานอันเป็นประโยชน์อันใหญ่หลวงพระพุทธองค์เมื่อได้ทรงสดับคำรัตนาเช่นนี้แล้วก็จึงได้มีพระอรุทัยกรุณานในหมูสัตจึงได้ทรงพิจารณาทราบชัดถึงว่ามูสัตนั้นมีอยู่เดกันสี่จำพวกความจริงแล้วถ้าจะว่าแล้ว ที่ท่านกล่าวเช่นนี้ว่ามีพรห ม, มาราธนานั้นกล่าวโดยเป็นปุคลาธิฐานซึ่งคํากล่าวอันนี้แหละก็จึงได้ติดต่อกัอนมาดังนั้นเมื่อพระขึ้นเทศขึ้นธรรมาทิแล้วญาติโยก็จะต้องอาราธนาว่าพรมมาจะโลกาวเป็นต้นโดยถือว่าเป็นระเบียบหรือเอาแบบแผนมาตอนที่พระองค์จะเทศเป็นครั้งแรกเพราะเหตุที่พรห ม, มาราธนา แต่เมื่อจะกล่าวโดยธรรมาฏิฐานแล้วคําว่าพรหมารัตนานั้นก็คงจะเป็นพรหมวิหารธรรมของพระองค์นั่นเองซึ่งในพรหมวิหารธรรมของพระองค์นั้นก็คือพระองค์มีพระเมตตาพระมหากรุณาและก็มุทิตาและอุเบกขาในหมู่สัตว์ทั้งหลายดังนั้นแม้แต่ว่าในระยะแรก องคุณเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงมีความขวนขวายน้อยเกิดความท้อแท้ประทยัยที่จะแสดงทมโปรสัตว์เพราะมาพิจารณาเห็นว่าทมที่พระองค์ตรัสรู้นั้นสุขขุมคัมภีรภาพมาญาติเหล่าสัตว์ทั้งหลายที่มีปัญญาสามและหน า, นานแน่นโดยกิเลสจะรู้ได้เพราะองค์คิดว่าจะเป็นการที่ลำบากพระองค์ปเปล่าโดยที่แสดงไปแล้วสัตว์ที่จะรู้ได้ยาง แต่อาศัยพระมหากรุณาของพระองค์นั่นเองพระองค์ก็ได้ทรงพิจารณาถึงหมู่สัตว์ว่ามีอยู่ด้วยกันสี่ประเภทหรือว่าสี่จำพวกถ้าจะเปรียบได้ก็เปรียบได้เหมือนกับบัวสี่เหลี่ยคือประเภทที่หนึ่งสัตว์ประเภทที่เรียกว่าอุกติจันตัญญูอุกติจันตัญญูนั้นหมายถึงบุคคลที่มีปัญญาดีและมีกิเลสเบาบางสามารถที่จะรู้ได้อย่างเร็วพลัน คือเมื่อแสดงให้ฟังเพียงครั้งเดียวหรือยกขึ้นมาเพียงข้อเดียวก็ตามดังเช่นที่ท่านพระอักสาวกคือภาษาลีบุตรเป็นต้นแม่ฟังธรรมที่พระอัจฉิเทระได้เทศนาโปรดเพียงกึ่งคถาสองคือสองบาด ท, ท่านั้นก็ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วเพราะเหตุที่ตนเองเป็นคนที่มีปัญญาดีและมีกิเลสเบาบางสัตว์ประเภทนี้อาจจะรู้ได้อย่างเร็วพลัน แสแดงเพลงย่อยอก็สามารถที่จะรู้ได้เหมือนกับดอกบัวที่ขึ้นมาพ้นน้ําแล้วคือเกาะบัวที่มีดอกขึ้นมาพ้นน้ําแล้วพอถูกแสงอาทิตย์ฉายแสงก็ามาก็จะเบ่งบานทันทีนี่เป็นประเภทที่หนึ่งสัตว์ประเภทที่สองนั้นได้แก่วิปจิตันอยู่วิปฏิจันอยู่นี่หมายถึงเหล่าสัตว์ที่มีปัญญาปานกลาง คือไม่ดีเกินไปแล้วก็ไม่ทึบหรือไม่สามเกินไปและก็มีกิเลสปานกลางคือไม่หนานแน่นเกินไปและก็ไม่เบาบางเกินไปเป็นปานกลางเมื่อได้ฟังซ้ำหรือว่าได้ฟังธรรมเทศนาได้เทศซ้ำแล้วหรือว่าอธิบายแล้วก็อาจบรรลุได้คือสัตว์ประเภทนี้มีปัญญาปานกลางกล่าวโดยย่อหรือกล่าวเพียงหัวข้อก็ไม่สามารถจะ ทราบได้หรือรู้ได้ชัดต้องอธิบายขยายความยกอุทาหรณ์ขึ้นมาประกอบจึงพอจะทราบได้ถ้าจะเปรียบเหมือนดอกบัวแล้วก็เหมือนดอกบัวที่มีดอกขึ้นมาเสมอน้าก็จะสามารถบานในวันต่อไปที่ดอกบัวขึ้นเสมอน้ำที่จะบานในต่อไปนั้นเพราะว่าดอกบัวนั้นที่ยังเสมอน้าอยู่นั้น แม้จะถูกต้องแสงพระอาทิตย์ฉายก็ไม่สามารถจะบานได้เพราะเหตุที่วันน้านั้นยังลัดกลีบบัวอยู่ก็สามารถจะบานในวันพรุ่งนี้เพราะในวันพรุ่งนี้เนี่ยบัวก็จะจะิญ ง, งอกงามมาจนกระทั่งถึงพ้นผืนน้ำเมื่อพ้นผืนน้ำแล้วโดนต้องแสงพระอาทิตย์แล้วก็จะบานได้ทันทีแต่ในวันนี้ยังอยู่เสมอน้าอยู่น้านั้นกาลังหุ้มห่อกลีบบัวอยู่จึงไม่สามารถที่จะ บานได้ถึงแม่พระอาทิตย์จสองสัตว์ประเภทที่สามนั้นได้แก่ประเภทเนยยะประเภทเนยยะเนยยะนี่แปลว่าพอที่จะแนะนําได้สัตว์ประเภทนี้มีปัญญาอ่อนและก็มีกิเลสหนานแน่นเมื่อได้ฟังเพียงครั้งเดียวก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ หรืออธิบายขยายความพอสมควรก็ไม่สามารถจะรู้ได้แต่สัตว์ประเภทนี้ต้องอาศัยการฟังบ่อยๆและอธิบายขยายความอย่างกว้างขวางและพิสดารให้ละเอียดถีท่วนจึงพอที่จะจับเข้าความหรือพอจะรู้ข้อความได้ถ้าจะเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนประเภทดอกบัวที่อยู่ใต้นะ้าพอจะมีโอกาสที่จะบานในวันต่อๆไป คือดอกบัวที่มีดอกยังอยู่ใต้น้ําอยู่แม้พระอาทิตย์จะขึ้นท่าจะส่องแสงถึงถึงเจ็ดดวงกว็าตามก็ไม่สามารถจะยางดอกบัวผู้อ่าดอกบั ว, บวดอกนี้ให้บานได้เพราะเหตุที่ถูกน้ํานั้นยังรักอยู่ตอนในวันต่อไปคือแม้แต่ในวันอีกวันหนึ่งก็ยังไม่สามารถที่จะบานมาเหนือน้ําได้อย่างดีก็แค่เสมอน้ําก็ในโอกาสต่อไปจึงจะทะลึง่ง หรือว่าบานขึ้นมาเหนือน้ำอันนี้แหละจึงมีโอกาสที่จะบานได้เมื่อถูกต้องแสงพระอาทิตย์ประเภทที่สีได้แก่ปท ะ, ะประมะปรม ะ, ะปทะปปรมะนี้ซึ่งตามศัพท์แล้วก็แปลว่ามีบทเป็นอย่างยิ่งในที่นี้ความหมายก็คือว่าเป็นบุคคลที่ปราศจากปัญญาคือเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญา หรือเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือบรมงโง้นั่นเองแล้วก็มีกิเลสหนานแน่นไม่รู้จักเหตุไม่รู้จกัจกผลเป็นบุคคลที่ไม่ควรตั้ลุหรือไม่ควรที่จะรู้คือใครแนะนําอย่างไรก็ไม่มีความที่จะเข้าใจและไม่เคยสนใจด้วยแต่ถึงอย่างนั้นเพื่อเป็นนิสัยวาสนาในการต่อไป องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คิดว่าทรงดำริว่าควรจะแสดงธรรมโปรดเพื่อให้เป็นบุ เ, เ, เ, เ, เ, นบเพกตะปุญญาตาหรือว่าเป็นบุพนิสัยปัจจัยต่อไปในการพบขงนาซึ่งในชาตินี้หมดโอกาสเป็นอภร พ, พบุคคลไปแล้วไม่สม ค, ควรที่จะทะลุได้ถ้าจะเปรียบแล้วบุคคลประเภทนี้เหมือนกับดอกบัวที่งอกขึ้นใหม่ ยังอยู่ใต้น้ำลึกซึ่งหวังได้ยากเหลือเกินที่จะสามารถจเจริญงอกงามมาจนกระทั่งที่ว่พ้นน้ำได้ที่จะพ้นน้ำได้หวังยากเหลือเกินกลัวที่จะไม่รอดพ้นจากการเป็นอาหารแห่งเต่าและปลาไปกลัวจะไม่รอดพ้นเพราะเหตุที่ว่า เมื่อขึ้นอยู่งอกใหม่ๆอ่อนๆนั้นย่อมเป็นอาหารอันโอชะของเต่าและปลาเพราะฉะนั้นหวังยากเหลือเกินที่จะมีโอกาสจะได้บานได้ในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงพิจารณาของหมูสัตว์หรือเหล่าสัตว์ทั้งสี่ประเภทนี้ว่ามีสี่จุโพูดเดยกันเปรียบยหมันก็รุ บ, บัวสี่เหล่าทั้งนี้พระองค์ก็จึงได้ทูลรับอาราธนา ของท้าวสหัสมบดีพรมหรือพูดง่ายๆว่าทรงตัดสินพระทัยที่จะแสดงธรรมโปรดเราสัตว์ต่อไปท้าวสหัมบดีพรมนั้นเมื่อทรงทราบพระพุทธองค์รับอารัธนาแล้วก็จิตได้ทูลลากลับอันนี้เป็นเนื้อความในปริเฉตที่12ซึ่งว่าด้วยพรมอารัธนา ในปริเฉตที่สิบสามนั้นว่าถึงด้วยเรื่องธรรมจักรกับปฏิวอปริวัตในเนื้อความปริเฉตนี้ว่าด้วยตอนที่องค์สุเดระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงประกาศรธรรมจักรหรือว่าเทศแสดงปฐมเทศนาคือเทศครั้งแรกคือเทศเรื่องธรรมจักรกับปปัตตนะสูตร โปรดปัญ จ, จวัคคีย์ทั้งห้าซึ่งเนื้อความในบริเฉษนี้ก็มีว่าเมื่ออง์สดพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงรับอาราธนาแล้วก็จึงได้ทรงดำริไปว่าตถาคตนั้นจะแสดงธรรมโปรดผู้ใดก่อนดีผู้ใดที่ควรจะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทอนุตตรโลกุตรธรรมโดยพลัน ดังนั้นพระองค์ก็จึงได้หวนละลึกถึงอาจารย์องค์แรกของพระองค์ที่พระองค์นั้นเคยได้ไปไปพักเรียนอยู่ในสำนักอาจารย์ผู้นี้ก็คืออาลาลดาบทกาลามโคธเห็นว่าอาจารย์ของพระองค์นั้นผู้นี้เป็นคนที่มีปัญญาดีกิเลสและเบาบาง เพราะเหตุที่อาราละดาบทกาลามโคตรนี้ได้ปฏิบัติสมณธรรมจนกระทั่งได้บรรลุสมาบัตเจ็ดประการสมาบัตเจ็ดประการนั้นเมื่อแยกแล้วก็ได้แก่รูปฌานสี่อะรูปฌานสาม รูปฌานสี่นั้นก็ได้แก่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานยตุทะฌานส่วนอรูปฌานสามนั้นก็ได้แก่อากาสานัญจายตนะฌานวิญญาณวิญญาณนัญจายตนะฌานอากินจัญญายตนะฌานอาลราดาบทกลามโคดนี้มีความรู้บรรลุได้คุณธรรมพิเศษแค่เพียงสมาบัติ เจ็ดประการเท่านั้นเห็นว่าเป็นคนที่มีปัญญาดีเมื่อฟังพระธรรมเทศนาของตถาคตแล้วจะตัสรู้โดยเร็วพันแต่เมื่อพิจารณาไปแล้วก็จึงได้ทราบว่าพระอาลารดาบทกรลามโคตรผู้นี้ได้ถึงแก่มรณาภาพไปเสแล้วเจ็ดวัน พระองค์ก็จึงได้ทรงสังเวชสลดพระทยัยว่าอาจารย์ของพระองค์รูปนี้ถึงแล้วซึ่งความหายณะอันยิ่งใหญ่ทำไมพระองค์จึงได้ทรงดำริเห่นนั้นก็เพราะเหตุที่ว่าอารดาบทกลามโคตรนี้เมื่อถึงแก่มรณะกรรมไปแล้วได้ไปอุบัติขึ้นในอรูปภพชั้นที่สาม ที่มีชื่อว่าอากินจัญญาจตนะภพก็อาจิ่ในอรูปภพนี้แม้พระพุทธเจ้าถึงลอยพระองค์ก็ไม่มีโอกาสที่จะไปโปรดได้ดังนั้นอารารดาบทผู้นี้ก็ยังต้องเสวยทุกในการเวียนว่ายตายเกิดอยู่อีกเป็นเวลาอีกนานแสนนาน ก็เพราะเหตุว่าอายุไขในอรูปภพนี้นานเหลือเกิดเมื่อตอนเองสิ้นอายุไขในอรูปภพแล้วก็คงจะมาจุติในมนุส์โลกเสวยทุกกรรมต่อไปอีกจนกว่าตราบที่จะพบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเช่นกับพระองค์แต่ว่าการเกิดขึ้นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น มิใช่มีบ่อยเป็นสิ่งที่หาได้ยากดังนั้นพระองค์ก็จึงได้ทรงสังเวชว่าอาจารย์ของเหล่านั้นถึงซึ่งหายณนะอันยิ่งใหญ่ถ้าหากได้รอพบพระองค์ฟังเทศพระองค์เพียงครั้งเดียวก็จะสิ้นทุกข์ไปเลยคือได้บรรลุอรหัตผลและก็ถึงแก่นิพพานโดยที่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป เมื่อมาพิจารณาถึงพระอาจารย์องค์แรกแล้วเห็นว่าได้ถึงแกมปรนตะภาพไปแล้วก็จึงได้พิจารณาถึงอาจารย์อีกองค์หนึ่งคืออุทะกะดาบทลามบุตรอุทะกะดาบทลามบุตรอาจารย์องค์นี้ก็เป็นบุค่ะเป็นบุคคลที่มีปัญญาเฉียบแหลมมีอาสะวะมีอาสะวะกิเลสเบาบางมีความรู้ในคุณธรรมมีเศษ จนกระทั่งถึงสมาบัติแปดประการสมาบัติแปดประการนี้ก็คือรูปฌานสี่อรูปฌานสี่โดยที่อุทะกาดาบทนี้มีคุณนิิเศษเหนือกว่าอาราดาบทหนึ่งขั้นก็ได้แก่อรูปฌานที่สีได้แก่เนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นอสมาบัติขั้นสุดท้าย แต่พระองค์มีมีความคิดเห็นว่าอาจารย์ผู้นี้ก็เช่นเดียวกันถ้าได้ฟังธรรมะของพระองค์เพียงครั้งเดียวก็จะเ ด, ดบรลุแต่เมื่อพิจารณาไปพิจารณามาก็จึงได้ทราบได้ว่าอาจารย์ของท่านองค์ของพระองค์องค์นี้ได้สิ้นชีพไปแล้วในเวลาพบค่ําวันวานนั่นเองแล้วก็ได้ไปอุบัติขึ้นในโพรหมโลกชั้นเนวสัญญานาสัญญายาตนะ อรูปภพคือในอรูปภพชั้นสุดท้ายคือชั้นที่สี่เพราะฉะนั้นพระองค์ก็จึงได้ทรงสังเวสตรดไทยอ่าสตรดพระไทยเช่นเดียวกับอาราดาบทซึ่งอุทกาดาบทผู้นี้ไปเกิดในเนวสัญญานาสัญญาชนะภพนั้นอายุขัยในภพนี้ยิ่งนานไปกว่าอาราดาบทอุทกาดาบทสิอีก เพราะฉะนั้นพระองค์ก็จึงได้ทรงสังเวชพระไถว์ว่าอาจารย์ทั้งสองของพระองค์นี้ถึงซึ่งความหายณะอันยิ่งใหญ่เอาละท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็หมดเวลาจึงขอยุติไว้เพียงแค่นี้ขอความเจริญผาสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกท่านด้วยกันขอเจริญพร